นายหลอ่อขับรถไปส่งท่านพระครูและนายวิกโก้ที่สถานีรถไฟชุมทางบ้านพาชีเพื่อที่ท่านกับลูกศิษย์ชาวต่างชาติจะได้ต่อรถไฟไปยังนครราชสีมาอันที่จริงเขาตั้งใจจะไปส่งถึงจุดหมายปลายทางทว่าท่านพระครูไม่ยอมให้ทำเช่นนั้นท่านบอกว่ากรงใจพัญญาและแม่ยายของเขา นายหล่อไม่รู้เรื่องที่แม่ประยงและนางนวลติดใจไหลหลงฝีมือการตีระนาดของหนุ่มเจริญเมื่อ20สิปีก่อนและท่านพระครูก็ไม่เคยแย้มพลายเรื่องนี้ให้เขาทราบด้วยถือว่าไม่ใช่กิจของสมณะแล้วหลวงพี่จะกลับวันไหนครับผมจะได้มาคอยรับ นายหล่อเรียนถามหลังจากที่ไปซื้อตั๋วโดยสารมาส่งให้ในายวิโก้เป็นผู้ถือแล้วอย่าลำบากเลยข้าไม่อยากรบกวนเองมากไปกว่านี้รบกงรบกวนอะไรกันผมปะวรณาไว้แล้วว่าชีวิตนี้ขออุทิศถวายแด่หลวงพี่ที่เคารพตั้งแต่รอดตายมาคราวนั้นผมก็ถือว่าชีวิตของผมเป็นของหลวงพี่ สามีแม่ประยงพูดอย่างระดึกนึกถึงบุญคุณของหลวงพี่ข้าไม่รู้จะเอาชีวิตเองไปทำอะไรถ้าขายก็คงได้ไม่กี่สตางค์แล้วก็คงไม่มีใครซื้อนอกจากแม่ประยง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 ข้าหลอกว่าเองก่อนไหนเมื่อก่อนถียงคอเป็นเอ็นว่าเองหลอกว่าข้าพูดเขินๆผมก็แกล้งถียงไปอย่างนั้นแหละรู้ว่าตัวเองนะ่ะหลอแต่ชื่อส่วนคนที่หลอจริงนั้นต้องหลวงพี่เจริญทั้งหลอทั้งเจริญเขาแซงยอ่อเอาละเอาล ะ, เ อ, าละเองไม่ต้องมายกย่อข้า นี่เองเห็นข้าเป็นคนบ้ายอไปแล้วหรืออย่างไงเปล่าครับเปล่าผมไม่ได้เห็นอย่างนั้นเพียงแต่เห็นว่าเวลาผมยอแล้วหลวงพี่อารมณ์ดีก็เลยต้องยอบ่อยๆผมอยากเห็นหลวงพี่อารมณ์ดีนะครับโบราณค่าว่าคนที่อารมณ์ดีมักมีอายุยืนผมต้องการให้หลวงพี่อายุยืนสักหมื่นปีสามีแม่ปริยงพูดเป็นต่อยหอย ความสุขของเขาคือการได้ยั่วย้าหลวงพี่ที่เคารพขณะนั้นรถไฟได้แล่นเข้ามาเทียบชานชลาสถานีการสนทนาจึงยุติลงนายวิโ ก, โก้ยกมือไหว้ขอบคุณผู้สูงวัยกว่าแล้วจึงเดินตามท่านพระครูไปขึ้นรถไฟ ทราบจุดประสงค์ในการมาของนายวิโก้เจ้าอาวาสวัดวดชิวราลงกรก็อนุโมทนาในกุศลจิตของหนุ่มที่มุ่งมัน่นจะเผยแผ่พระธรรมคำสอนแม้ท่านเองก็ได้ตั้งปณิธานไว้อย่างนี้เหมือนกันนับตั้งแต่บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุก้าขวบท่านก็ตั้งอกตั้งใจศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมและสอบได้ป ร, ริยธรรมก้าประโยค ตั้งแต่ยังเป็นสามเนนครั้นอายุครบยี่สบก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในนิกายธรรมยุทธ์ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เรื่อยมากระทั่งดำรงสมณศักดิ์ที่พระเทศสังคะอุทาจาร์หากคนทั่วไปยังคงเรียกท่านว่าเจ้าคุณศีลสารวิสุทธ์อันเป็นสมณศักดิ์ที่ท่านได้รับเป็นครั้งแรกขณะนี้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 เลยชํานาญในการทำคลอดพอเขาเอาเด็กออกก็จะตัดสายสะดืออาบน้ำอาบท่าให้สะอาดแล้วห่อไว้ในกระดง้งเอาผ้าโจงกระเบนของผู้หญิงมามัดเป็นโปรงคลุมไว้กันยุงมากัดเขาจะเอากระดงที่ใส่ทารกคลอดใหม่นั้น วางไว้ข้างๆแม่ซึ่งต้องอยู่ไฟอีกสิบห้าวันหรือหนึ่งเดือนเพื่อให้มดลูกแห้งเจ้าคุณวัยหกสิบเศษอธิบายถึงกรรมวิธีในการคลอดบุตรสมัยที่การแพทย์ยังไม่เจริญเท่าในปัจจุบันพระเดชพระคุณขอรับกระผมก็เคยเป็นหมอตําแย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 กำลังเรียนมัธยมสแล้วท่านจึงเล่าประสบการณ์ในครั้งกระโน้นถวายเจ้าคณะจังหวัดพระเทพสังฆวุฒาจารย์รู้สึกเพลิดเพลินกับเรื่องที่ฟังด้วยว่าผู้เล่าสามารถสาธยายได้อย่างเห็นภาพพจน์สมัยที่กระผมเป็นเด็กพวกผู้ใหญ่บอกว่าเขาออกลูกกันทางป่า บ้างก็ว่าออกทางสะดือเพิ่งจะรู้ว่าถูกผู้ใหญ่หลอกก็ตอนที่ทำคลอดให้พี่สาวนั่นแหละขอรับท่านสรุปกระผมจะขอความกรุณาพระเดศพระคุณช่วยเล่าเรื่องในอดีตชาติที่ท่านระลึกได้กระทั่งมาถึงปัจจุบันชาติจะได้ไม่ขอรับนายวิกโก้เอ่ยขึ้นเมื่อท่านพระครูเล่าจบ เขาเปลี่ยนมาใช้กระผมและขอรับอย่างท่านพระครูบ้างได้สิเอาละตั้งใจฟังนะอ๋อมีเทปมาอัดด้วยหรือท่านถามเมื่อเห็นเขาเตรียมบันทึกเสียงขอรับจะได้เป็นหลักฐานเผื่อว่ามีคนต้องการตรวจสอบดีรอบครอบดี เอาละเมื่อพร้อมแล้วอาตมาก็จะได้เล่าท่านนั่งหลับตานิ่งอยู่ครู่หนึ่งเพื่อทบทวนความทรงจำแล้วจึงลืมตาและเล่าว่าชาติที่แล้วอาตมาเกิดเป็นลูกชาวนาอยู่ที่อำเภอวารินชำราบ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 ไหนท่านพระครูช่วยอธิบายหน่อยซิว่าคนเหนือนมคืออะไรภิกษุไว้ใกล้สี่สิจึงอธิบายว่าคนเหนือนมก็คือลูกก่อนคนสุดท้ายเช่นครอบครัวที่มีลูกสิบคนคนเหนือนมก็คือคนที่เก้า ส่วนคนโตเขาเรียกว่าคนหัวปีคนสุดท้ายเรียกว่าคนสุดท้องท่านพระครูอธิบายแล้วคนที่สองถึงคนที่8มีชื่อเรียกพิเศษไหมครับไม่มีก็เรียกคนที่สองคนที่สามไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีลูกจำนวนขี้คนที่อยู่กึงกลาง เขาจะเรียกว่าคนกลางเช่นมีลูกห้าคนคนที่สามคือคนกลางถ้ามีเจ็ดคนคนกลางคือคนที่สี่คือมีพี่สาน้องสาแล้วจึงพูดกับพระเทพสังฆาอุทาจารย์ว่ากระผมมีเพื่อนคนหนึ่งพ่อแม่เขามีลูกสิบห้าคน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 เขาก็โกรธนาซีคนเขาอายอย่าไปล้อขอรับกระผมก็ลืมที่โยมยายพร่ำสอนว่าคนเขาอายอย่าไปล้อโยมยายสอนไว้เป็นคําคล้องจองกันเลยขอรับสอนว่าคนบ้าอย่าถือคนดือ้อย่าสอนคนจร อย่าคบคนประจบอย่ารักคนทักอย่านิ่งคนจริงอย่านายคนอายอย่าล้อคนมาง้อขอโทษอย่าไปกโกรธเคืองเขาโยมยายสอนไว้อย่างนี้ขอรับฟังดูรู้สึกว่าโยมยายของท่านพระครู จะเป็นคนเก่งนะขอรับเก่งที่สุดในตำบลบางม่วงหมู่น้ำเสียงบอกความภาคภูมิใจในบุพการีที่ท่านรู้สึกผูกพันรักใคร่นายวิโกชอบฟังเรื่องที่อาจารย์เล่าหากก็เกรงจะเสียงานจึงพูดอย่างเกรงใจว่าพระเดชพระคุณขอรับกระผมขอนิมนต์เล่าต่อขอรับ ถึงไหนแล้วล่ะเจ้าคณะจังหวัดถามถึงตอนพระเดชพระคุณมีพี่น้องเจ็ดคนมีน้องสาวชื่อเหมือนขอรับอ๋อน้องสาวคนนี้แหละที่อาตมากลับชาติมาเกิดเป็นลูกชายเขาคือเขาเป็นโยมแม่ของอาตมาในชาตินี้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 เป็นลูกสาวคนสุดท้องพ่อแต่งงานพ่อแม่ก็ปลูกบ้านให้อยู่ใกล้ๆ ก, กันอาตมาก็สนิทกับน้องสาวคนนี้มากเพราะเคยเล่นด้วยกันมาสมัยเป็นเด็กขอประทานโทษแล้วท่านมีคู่รักหรือเปล่าขอรับท่านพระครูเรียนถาม พระเทพสังฆาอุทาจารย์ตอบทันทีว่าไม่มีผมไม่สนใจใครเลยพ่อกับแม่ก็เที่ยวไปทาบทามลูกสาวบ้านนน้นบ้านนี้จะให้แต่งงานกับผมแต่ผมไม่ถูกใจใครสักคนคิดแต่อยากจะบวชตอนนั้นอายุสิบเก้าตั้งใจว่า พออายุย0สิบก็จะบวชไม่ศึกพออายุครบ20สิบยังไม่ทันได้บวชก็มาตายเสียก่อนแล้วคุณล่ะเคยมีคู่รักบ้างหรือเปล่าท่านถามพระครูเจริญก็ก็เคยเหมือนกันขอรับคือก่อนมาบวชกระผมมีอาชีพทางเล่น และสอนดนตรีไทยสาวแก่แม่ไม้ติดกันเกลียวเลยมีอยู่รายหนึ่งเป็นเศรษฐีนีอยู่อำเภออินเขาอยากได้กระผมไปเป็นเขยขอประทานโทษเรื่องมันยาวขอรับหากเล่าละเอียดก็เกรงใจวิกโก้เดี๋ยวงานเขาจะเสียกระผมขอสรุปรวบรัดตัดใจความว่า ไม่ได้แต่งงานกันเพราะกระผมไม่มีโอกาสได้ลาสิกขาเขาก็เลยแต่งงานกับคนอื่นไปเรียบร้อยแล้วขอรับพระเดจพระคุณเป็นอะไรตายขอรับกระผมหมายถึงเมื่อชาติที่แล้วนายวิโก้ถามเป็นไข้าตายสมัยนั้นการแพทย์ยังไม่เจริญ คนมักเป็นไข้ตายกันมากอาตมาเป็นไข้ป่านอนซมอยู่หลายวันระหว่างนั้นน้องสาวอาตมาเขาออกลูกอาตมาก็อยากไปดูหน้าหลานแต่ก็ลุกไม่ไหวเพราะป่วยมาหลายวันอาตมาเหอหลานเพราะเพิ่งจะได้เป็นลุง เมื่อก่อนเป็นนาเป็นอาเพิ่งจะได้เป็นลุงกับเขาอีกอย่างหนึ่งอาตมาก็รักน้องสาวมากจึงอยากไปดูหลานแต่ไปไม่ได้ขอประทานโทษตอนนั้นพระเดชพระคุณมีชื่อว่าอะไรขอรับนุ่มจากต่างแดนถามอีกอาตมาชื่อเรียน นายเรียนบุญนาข้าวน้องสาวชื่อนางเหมือนเพียรทำนาเขาใช้นามสกุลผัวเขาน้องเขยอาตมาชื่อนายเงินเพียรทำนาตอนจะตายนี่มันทรมานจังเลยนะท่านพระครูตอนไฟาธาตุกำลังจะดับ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 สังกิริตเถ ท, ทุกขติปฏิกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันต้องหวังคนที่ไม่เคยฝึกจิตส่วนมากจึงต้องไปสู่ทุกขติเพราะอาสัญรกรมพาไปขอรับ อย่างที่เขาเรียกกันว่าหลงตายคือตายอย่างขาดสติสติตัวนี้สำคัญมากนะขอรับพระพุทธองค์ทรงสงเคราะห์สติไว้ในธรรมะมีอุปการะมากที่วัดของกระผมมีการสอนกรรมฐานโดยการเจริญสติปัฐานสี่ดี ดีมากผมขออนุโมทนากับท่านพระครูการสอนคนให้มีสติได้อานิสง์มากทุกวันนี้คนเราก่อกรมทำชั่วกันมากก็เพราะขาดสติคนที่ขาดสติทำความชั่วได้ทุกอย่าง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 เป็นภาษาอีสานพอเขาบอกอย่างนั้นแล้วพระเดชพระคุณทำอย่างไรขอรับหนุ่มต่างแดนเรียนถามอีกอาตมาก็อายอายน้องสาวว่าเราตายไปแล้วยังเป็นผีมาหลอกเขาแต่ความที่อยากเห็นหลานก็เลยเปิดโปง ชะโงกหน้าเข้าไปดูแล้วก็รู้สึกตัวหมุนติวต้วติ้วพอรู้สึกตัวอีกทีก็นอนกระดกกระดิกอยู่ในกระดง้งเลยจำชาติได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วพูดกับภิกษุอาคันตุกะว่ามันก็แปลกนะท่านพระครูผมเพียงอยากจะดูหน้าหลาน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 นายวิกโก้ถามอาตมาทำอะไรไม่ได้เพราะกลายเป็นทารกไปเสียแล้วจะพูดก็พูดไม่ได้เวลาเขาให้กินนมก็ไม่อยากกินมองหน้าเขาอยากจะบอกว่าค้าเป็นพี่เองนะ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 พวกผู้ใหญ่เขาก็พากันพูดว่าสงสัยไอเรียนกลับชาติมาเกิดเด็กที่จำชาติเก่าได้จะอายุสั้นต้องทำให้ลืมชาติเก่าเขาว่าอย่างนี้เขาไปหาไข่หลงรังมาให้กินใช่ไหมขอรับรักครูจเจริญเดา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 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระศีลสารวิสุทธ์เมื่ออายุสี่สบปีแล้วก็ได้เลื่อนเป็นชั้นราชและชั้นเทพตามลำดับท่านบอกนายวิโกว่าลองเอาไปวิเคราะห์วิจัยดูนะ ว่าทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นอาตมาก็ยังไม่เข้าใจสักเท่าไรได้ผลว่ายังไงก็ส่งข่าวมาให้รู้บ้างขอรับกระผมจะรายงานผลการวิจัยให้พระเดชพระคุณทราบทันทีที่ทำเสร็จเขารับคำหนักแน่น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 ถึงเชื่อก็ยังขืนทำอย่างเช่นพวกที่ประพฤติผิดลูกเมียคนอื่นมักจะพูดว่าเวลาตายจะเอาเลื่อยใส่ลงไปด้วยจะได้เอาไว้เลื่อยหนามยิ้วค่าวกันอย่างนี้ขอรับคนพวกนี้โง่ที่สุดที่คิดอย่างนั้นเอาเถอะ ไว้ไปปีนต้นงิ้วแล้วจะรู้สึกพระเทพสังฆาอุทาจาร์พูดอย่างลงสังเวช